บ <Book> <43. S 1> ุ๊ก2 43เชเฮโลซที่สวนสัตว์ดาร์บอกวชสวนสัตว์อยู่ที่นั่นอันจาบอกวาชัยีราฟอยู่ตรงนั้น อันจาะจะรอเาฮะสแตนมีอยู و و ่ที่ไหนเขีิสเาโคจาฮะสแตนช้างอยู่ที่ไหนฟิลเาโคจาฮะสแตนงูอยู่ที่ไหนมาราโคจาฮสนสิงโตอยู่ที่ไหน ชี ر ا ه ا کجاه ะฮ์ฮดิฉันมีกล้องถ่ายรูปมันแยกจูบ ین ่ะอาคัซีจดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วยมันแยกจูบ ی น ف ی ฟิ ب ر د, د ا บ ی هم د ا ี่ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน ب ا ต ر ی โคส นกเพนกวินอยู่ที่ไหนพังกูนฮะขึ้นอย h ่ที่ไจิงโจ้อยู่ที่ไหนคองกูรูฮะขึ้นอยู่ที่ไหนแรดอยู่ที่ไหนแคร์เกจันฮะขึ้นอยู่ทห้องน้ำอยู่ที่ไหนทวอเลตขึ้นอยู่ที่ไหน มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นอันเจาะเยาะคิเฟอสมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นอันเจาะเยาะรีสตูรออสอูดอยู่ที่ไหนชูทูร์ฮอคโคเจอฮัสตันกอลีลาและม้าลายอยู่ที่ไหนกุริลฮอว گ و ر ه ر ه ا کجا هستند؟ سیره و ا ر ک ه یو ت ی ی ببرها و تمساهها کجا هستند؟